ไว้ไม่คม่องแคลวในการปฏิบัติในความรู้สึกหรือว่าการกําหนดรู้การเคลื่อนไหวอันนี้เป็นสิ่งสําคัญาหากเราไม่มากําหนดรู้หรือว่าไม่มีสติเป็นคนลืมตัวเป็นคนหลงเป็นคนลืมมันอาจจะเป็นเหตุให้เรานี่ไม่เข้าใจในการปฏิบัติ ไปไม่ได้ถ้าเราไม่เป็นคนลืมสติหึงอเป็นคนลืมตัวแล้วก็อาจจะเข้าใจได้ละเอียดหรืออาจจะเข้าใจได้แก้แค้นเพราะว่าการศึกษานี้เราศึกษาเพื่ อ, ใ ห, หสส ใ, อให้เราหายสงสัยในการจะทําต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างให้เราหายสงสัยเพราะว่า เรากระทำกันหลายหลายอย่างในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าการกระทำบุญหรือว่าการกระทำตามกระฎธรรมเนียมบปรเทนีอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งแต่สิ่งนี้ที่เราทำแล้ว มันก็ยังไม่หายสงสัยทำไปทำไปบางสร้างบางกันหนัมันอาจจะทำให้เรามีติดหือมันอาจจะทำให้เรานี่นจจหลงก็ได้ถ้าหากเราทำไปโดยไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอย่างแท้จริง หรือว่าการปฏิบัติหรือว่าการศึกษาธรรมะเรายังไม่เข้าใจถ้าเราศึกษาหรือว่าเราปฏิบัติเข้าใจแล้วเราทำไปเพื่อการมีสติหรือว่ามีสมาธิมีปัญญามันก็ไม่ทำให้เราหลงเพราะฉะนั้นการเจริญสติที่เป็น หัวใจเรยกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดตะพูดตามตำราบอกว่าคนที่มาเจริญสถิประฐานปีนี้ถ้าเจริญให้มันเป็นที่หรือว่าผู้เจริญทำให้สถิของตัวเองสมบูรณ์แล้วเรื่องอริสุง ที่มันมีมากมายที่มันมีมากจนไม่สามารถที่จะเอามาพูดได้อันนี้ตรงของการเจริญสติระบุภายในเจริญสติสมบูรณ์เข้าใจในตัวเองอย่างแจ่มแจ้งเห็นสภาการเคลื่อนไหวเห็นสภาพทุกสิ่งแม้แต่ความคิดความนึกคิดของตัวเอง อยู่ทุกขณะเห็นอยู่ทุกขณะให้เรารู้เข้าทันความคิดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผู้จเจริญหรือให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้รับประโยชน์จากการจเจริญสติอย่างแท้จริง หน้าเราเป็นคนลืมตัวเป็นคนไม่มองตัวเองไม่เห็นตัวเองไปเข้าใจอย่างอืง่นไปเห็นอย่างอืง่นไปเห็นสิ่งใครนอกมันจะทำให้เราีิหลงหรือมันจะทำให้เรา้ไม่เข้าใจในตัวเองการเข้าใจตัวเองการเห็นตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญมากหรือว่าการเจริญปติ การเจริญสติมันมีหลายรูปแบบหรือว่ามีหลายวิธีหลายอย่างแล้วแต่ครูบาอาจารย์แล้วแต่ผู้นำนั่นจะมีวิธีแตกต่างกันไปเลื่องวิธีการหรืว่าวิธีกระทำนี่มันเป็นอีกสิ่งหนึ่ง แต่ว่าสิ่งสําคัญนั้นมันไปมันเหมือนกันแต่ว่าการจะทํามันอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าจุดนั่นก็ไปที่หนึ่งที่เดียวกันการจะทํานั้นมันถูกวิธีหรือว่าวิธีการนั้นมันเป็นวิธีการที่ตรงเป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้ดเดินทางหรือผู้จเจริญสติเร็วขึ้นหรือว่ารัด ขึ้นอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นเข้าใจได้เร็วหรือไปได้ไวก็ได้ถ้าการกระทำนั้นมันเป็นเหตุให้ผู้ที่กระทานั้นไม่เข้าใจหรือเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นยังไม่หายสงสัยในการปฏิบัติการกระทำนั้นบางทีอาจจะ ไม่ถึงจุดหรือไม่ถึงสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติจะได้การปฏิบัติธรรมนั้นให้เราปฏิบัติเข้ามาในตัวเองแล้วก็ให้เรา พยายามมีความเพียรจริงๆถ้าเราไม่มีความเพียรหรือความพยายามจริงๆการกระทำของเราอาจจะไม่สําเร็จหรือว่าการเดินทางของเราอาจจะไม่ถึงที่หรืออาจจะไม่ถึงจุดเพราะวาความเพียรนี่เป็นสิงที่จะทําให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้เดินเรืหรือผู้เดินทางนั้นไปถึงจุดหรือเข้าถึงเป้าหมายหรือเข้าถึง สิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่หรือมีอยู่เพราะว่าในตัวเรานั้นสิ่งที่ทําให้เราหลงหรือว่าทําให้เราไม่เข้าใจนั้นมันมีมากถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาสามารถที่จะมองเห็นหรือว่าสามารถที่จะเข้าใจ ในตัวเองนั้นมันก็ทําให้ตัวเองติดทาให้ตัวเองห่องและหรือว่าทําให้ตัวเองนี่เป็นคนหลงคนลืมไปได้แต่วิธีการที่จะไม่ทําให้เราหลงหรือไม่ทําให้เราลืมทําให้เรามีสติอยู่กับตัวมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวมีสติอยู่กับการดูกับการไปกันมาอยู่ทุกขณะ นั่นมันเป็นสิ่งที่ในนักปฏิบัติที่ว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรจะเจริญหรือทุกคนควรจะเป็นผู้ที่มีความเพียรเห็นมากทำละขาดความเพียรขาดความพยายามอย่างเดียวว่าเจรินทําให้มากภาวนาว่าทํำบ่อยๆว่ะเดินทําไห้มากภาวนาแว่าทำบ่อยๆไย ทำเรื่อยๆหรือว่าทำไปให้มันติดต่อกันเปมนรูปโซ่อย่าให้มันขาดตอนให้มันเป็นวงจรกระไรกันนดิกาหรืว่ามันเป็นเป็นวัตจักหรือเป็นสิ่งที่ไม่มันขาดนี่แหละมันจะทำให้เราเข้าใจในตัวเองหรือว่าเข้าใจในการปฏิบัติหรือว่าการศึกษาให้มัน หายทุกอย่างในการกระทําของตัวเองในกระทั่งภายนอกในกระทั่งภายในถ้ายังไม่หายสงสัยหรือว่าการเดินทางหรือว่าการปฏิบัติของตัวเองก็แสดงว่าการเดินทางของคุณนั้นยังไม่ถึง ท, ที่ยังไม่ถึงจุดแต่คําหมายว่าหายสงสัยนี่มันมีอยู่ หลายอย่างมีอยู่หลายปีเงินแต่ว่าหายสงสัยเบื้องแรกหายสงสัยในการจะทาตัวเองแต่ก่อนเรายังไม่ได้มาศึกษาธรรมะไม่ได้มาปฏิบัติธรรมะก็ไ่ไดมาเจริญสติไม่ได้รู้ตัวเองไม่ได้เข้าใจตัวเองก็ยังไม่รู้ลูกไม่รู้นาม การรู้รู้บานรู้นามก็ไม่ได้รู้อย่างอื่นคือรู้ตัวเองรู้กายตัวเองแล้วก็รู้ใจตัวเองให้มันแจ็บแก้ให้มันละเอียดให้มันรู้จริงๆรเมื่อปฏิบัติแล้วให้มันหายสงสัยจริงๆให้มันเบาได้จริงๆให้มันสบายจริงจริงให้มันวางได้จริงๆให้มันปล่อยได้จริงๆรู้แล้วให้มันหมดไป รู้แล้วให้มันหายไปเอว่ารู้แล้วให้มันรู้รู้จริงๆไม่ได้รู้จากคนอื่นคนอื่นหรือไม่ได้รู้จากการจําไม่ได้รู้จากการได้ยินได้ฟังการรู้จากการได้ยินได้ฟังหรือว่าการรู้จากการจำมาจากคนอื่นว่าเป็นสังยาไอ้ความรู้นั้นมันอาจจะหลุดหรือมันอาจจะลืมไปได้ ถ้ามันรูขึ้นในการกระทำของตัวเองแล้วมันไม่มีการที่จะลืมมันไม่มีการที่จะหล่นไปได้มันเข้าใจจริงๆ้นมันเป็นจริงๆแต่คนอื่นนั้นจะรู้ด้วยตัวเราหรือไม่รู้ด้วยตัวเรานั้นมันมันรู้ไม่ได้มันเนื่องจากการการะทำของเราเองไอ้คนอื่นจะพูดยังไงเราก็ไม่ได้มีการปัดไป ทีไม่ไได้มีการกดแทนไม่มีการไอ้ที่จะเป็นใส่ตามคำพูดของคณอื่นเพราะว่าการปฏิบัติหรือว่าการสรามของเรานั้นมันมันมั่นคงหรือว่ามันแน่นอนในการกระทำของตัวเองเพราะว่าความทุกอะไรต่างๆที่เราเคยประสบ ป, ประการมาที่เราเคย ได้รับเมื่อเราเข้าใจแล้วมันมันไม่มีก็จะแดงว่านั้นถูกต้องเราปฏิบัติแล้วความทุกต่างๆมันเบาไปทว่ามันหมดไปมันจีดไปมันจางไปมันตลายไปก็ได้อันนี้มันเป็ น, เ ป, นเป็นคำสมมุติในานามสมมุติตัวเป็นคำพูดแต่ตัวแต่ตัวจริงๆนั้นมัน คู่กันไม่ได้มันจะเอามาให้การดูด้วยวัดดูไม่ได้มันเป็นอีกรูปหนึ่งลักษณะแต่ถ้าการปฏิบัติเมือนกันการ้าไปสัมผัสจริงจริงการาไปรู้จริงจริงหรือว่าเป็นจริงๆนั้นมันขึ้นอยู่กับการกระทั่งตัวเอง ที่จะเข้าไปรับรู้หรือที่จะเข้าไปสัมผัสด้วยปัญญาของตัวเองนั้นเป็นอีกปัญหาหนึ่ ง, งกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยให้เราพยายามมีความเพียรพยายามเล่งในการปฏิบัติคําหมายว่าเล่งหรือว่าต้องพยายามมีความเพียร น, นี้ถ้าเรามีความเพียรเราขาดตสตี อาจสมาที่ศาสตร์ปั ญ, ญาแต่ความเปลี่ยนนั้นก็เป็นเหตุหนึ่งวุกันที่จะทำให้เราไมาเข้าใจถ้าเราทำโดยความมีสติหรื ว, วา่าโดยนีสมาธิมีปัญญาจริงๆเราทำอาจจะเข้าใจเร็วก็ได้เพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนะี่ยไม่เหมือนกันบางคนทุกอย่างมันพร้อมมันก็อาจจะเร็วก็ได้ บางคนมันไม่พร้อมก็อาจจะใช้เวลานานปฏิบัตนนินานๆจะได้ถือเวลาที่เกิดการปฏิบัติถ้าเราทำโดยการไม่มีสติหรือการกาหนดรูหรือว่า ก, การกระทาของเรายังไม่สม่ำเสมอขาดๆตอนๆเป็นลักเป็นตนมันไม่พร้อมกันถ้าเราไม่มีการกระทา นั้นมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่เข้าใจถ้าถ้าเราพลาดสติแต่สาคัญให้เรามีสติอย่างเดียวทําให้เรามีสติสติที่เป็นตัวสําคัญมากพยายามให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับการกําหนดหรือกับการ ทำความรู้สึกนี้กะเป็นเป็นสิ่งสาคัญเพราปกติธรรมนาแล้วเราไม่ได้มาดูเราไม่ได้มีสติมากำหนดจากความรู้หรือว่าความรู้สึกมันไปคิดอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นไปดูอย่างอื่นไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้พิจารณาตัวเองถ้าเรามาดูตัวเองพิจารณาตัวเองม่จากความรู้สึกหรือว่ามีสติกำหนดรู้อยู่กับการเคลื่อนไหว มันจะนั่งหรือจะเดินจะยืนจะทําอะไรอยู่ก็ให้เรามีสติในตัวสตินี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่สําคัญหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจได้คนเราทักาดสติอว่าวันวันหนึนง่งคนเราทักาดสติ วินาทีหนึ่งก็ตกในโลกวินาทีนึงถ้าขาดสติหนึ่งนาทีก็ตกหนึ่งนาทีถ้าขาดสติหนึ่งชั่วโมงก็ตกในโลกหนึ่งชั่วโมงแล้วันแต่นี้เป็นจริงเลยถ้าเราไม่มีสติเราดูบางครั้งบางขณะเราไม่มีสติเราไม่รู้เท่ารู้ทันกับความคิดของตัวเองขณะใดที่เราเผลอขณะใดที่เราหลงขณะใดที่เรามีโมหะเราไม่รู้เท่าทันความคิด หรือเราไม่รู้การเคลื่อนไหวของร่างกายขนาดนั้นเราตกนรกเราตกนรกหรือว่าขาดนั้นเราตายก็ได้แต่พูดอีกแบบหนึง่งพูดอีกในลักษณะห น, นึง่งจะใช้แเราตายว่าเราตกนรกในนรกเราได้ยิงกันจนจะเบื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบาปเรื่องกุลทุกอย่าง ม, มันมันมีอยู่ในตัวมันไม่ได้มีอยู่รอกตัวมันมีในกายแล้วก็มันมีในใจแน่แต่สิ่งที่สูงที่สุดหรือว่าสิ่งที่พวกเราปรารถนากันนักปรารถนากันหนามันก็ยังมีอยู่ในตัวเราแต่ใกล้กับที่ว่ากันนิพพานนี่ก็เมือนกัน มันไม่ได้มีที่อื่มันมีในตัวอันนี้เราได้ยินคู้จะได้ยินเทศ่จะได้ยินตามคําแสดงแต่แท้ที่จริงนั้นเรายังไม่ได้ต้าไปสัมผัสจริงๆเรื่องเรายังไม่ได้ปฏิบัติให้มันเกิดสติที่อว่ามีญาณที่อว่าทัศนะเกิดขึ้นกับตัวจริงๆเราไม่ได้มีเอ๊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 แต่สำคัญเรามีหน้าที่ทำอย่างเดียวเราไม่ต้องอยากจะไปเป็นกตบมันถึงแม้ไม่ต้องอยากจะเอาประมาณให้เรามีการจะทำอย่างเดียวไอ้สิ่งที่มันจะเป็นนั้นมันมันจะเป็นไปตามหน้าที่ที่มันจะเป็นไปตามกฎของธรรมชาติจะได้คือว่ามันจะเป็นไปตามกฎของของมันเองเพราะว่าทุกกฎมันมีจะเป็นคนจนจะเป็นคนรวย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 เมื่อมันพร้อมหรือเมื่อมันเจริญเต็มที่หรือเรามีสติอย่างสมบูรณ์แล้วมันจะทํางานของมันเองมันจะไปของมันเองมันจะทํางานของมันเองอันนี้ที่ผมเคยปฏิบัติหรือว่าธรรมาเคยประสบประการณ์ในการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปแล้วเบื้องแรกมันก็ต้องเข้าใจไปเรื่อยเข้าใจไปเข้าใจไปเลือกเข้าใจไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้ว มันรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่เป็นมหาสารก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่มันเกิดความคิดหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีในในสมองก็ได้เมื่มันจะเปลี่ยนไปแบบนี้ว่าการจเจริญสติแบบจับการเคลื่อนไหวการเดินตรงๆรการเจ็บมือเข้ากัานเอามือออกแต่ทําอย่างนี้มันมันไปเป็นอย่างนั้น มันไปเป็นแบบนั้นถ้าเราจะเอาจริงมันเป็นจริงๆแต่เราอยากเอามันอยากเป็นมันสำคัญเราให้เรามีการกระทบแล้วมันเป็นจริงๆมันเป็นไปโดยกฎหรือมันเป็นไปโดยธรรมชาติของมันเองเพราะมันมีอยู่แบบนั้นเป็นอยู่แบบนั้นมีอยู่แบบนั้นอันนี้ผมร ป, ประสบการณ์มา มันรู้สึกว่ามันมันมั่นใจหรือว่ามันยืนยันในตัวได้แต่พูดนี้ผมพูดตามความรู้สึกผมไม่ได้จับคําพูดไม่ได้หรือว่าจะมาเองไม่ได้เอาคําพูดของคนอื่นหรือว่าการกระทำ ข, ของคนอื่ประสบการณ์ของคนอื่นมาพูดพูดด้วยความรู้สึกหรือว่าการในสัมผัสหรือว่าการรู้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 ได้ประสบการณ์หรือว่าเป็นความรู้สึกที่ได้ผ่านการปฏิบัติหรือว่าได้ทดสอบของตัวเองมาพ อ, พอทุกควรในหลักการหรือว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องรู้อะไรมากมเรื่องรู้มากๆแต่บางทีมันอาจจะทำให้เราเข้าใจไปอีกรูปหนึ่งก็ได้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 คว่าเราเป็นชาวพุตหรือว่าเราเป็นนักปวดเนี่ยไม่ต้องรู้มากไม่ต้องรู้ให้มันในความรู้ท่วหมหัวเอาตัวไม่รอดบางทีเดียนมากไม่ว่าปฏิบัตมิมามากพูดได้มากในความรู้ของตัวเองนั้นยังทำให้ตัวเองได้รับความฟุบหรือว่ายังทำให้ตัวเองไม่มีความสุขประเด้รับความสุขเ่าติดควนอย่างนี้ก็ได้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 มันไม่มีปฏิกิริยามันไม่สแสดงอาการคิดว่ า, ว า, วามันไม่ไม่สัมผัสมันไม่เกิดไหมไมันไม่เกิดใช่ได้อันนี้เป็นจุดหนึ่งมันกันคือว่าเป็นจุดสำคัญที่เราจะเรียนสติที่จะเข้าไปหาตัวนี้แหะเข้าไปทำลายหรือว่าเข้าไปทำให้มันหมดให้มันชิ้นไปจริง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 ดึงคนขันเข้ามาศึกษาหรือว่าให้คนสนใจมากขึ้นในหลื่ของการเษษษ i, จเริญสติเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้คนเห็นความสําคัญในทางนี้แต่ตอนนี้คนเรามันไปสนใจหรือว่าไปเห็นความสําคัญอย่างอื่นกวาการเษษษจเริญสติเจริญสมาธิจเจริญปัญญาหรือว่าต่อการศึกษาหรือว่าปฏิบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติตัวเอง ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอันนั้นมันจริงทำให้เราไเข้าใจในตัวของเราหรือไม่เข้าใจในการกระทำของเรามากขึ้นแต่ท้ายที่เรามองเห็นการกระทำต่างๆหรือว่าอะไรหลายๆอย่างภายนอกที่ทำให้คนหลงหรือทำให้คนเข้าใจจิตในการกระทา มากขึ้นถ้าเราหันมาจเจริญหรือว่าเราไม่มีการจับความรู้สึกมีสติรู้เท่ารู้ทันจริงๆแล้วมันก็จะดิงเราไปเรื่อยต่ำลงไปเรื่อยเรื่อยเรืยมันก็จะพัดตกที่มันจะเก็บไม่ได้ที่มันจะตกหน้าตรงตัวเองจะได้ถ้าเรามีสติไม่ลืมตัว มีความรู้สึกต่อการเดินการนั่งการนอนทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่หรืออิริยาย่อยให้เรามีสติตามการเคลื่อนไหวเรีว่าให้มีความรู้อยู้ทุกขณะติดตามอยู่ทุกขณะ น, นั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเข้าใจเร็วขึ้น หรว่าการเดินทางการเจะเดินสกิตจะเดินสมาธิจะเดิ น, เ น, เนปัจจายมันจะเร็วขึ้นที่มันจะก้องขึ้นที่มันจะลัดขึ้นมันจะไวขึ้นอะไรหลวงพ่อท่านเตี๋ยเทียบว่าเราจากกรุงเทพมาหาดใหญ่บางคนอยาจะกี่เกียนก็ได้กี่อะไรก็ได้แต่มันสู้นั่งเคงบินไม่ได้นั่งเครื่งบินนี่มัน มันชั่วโมงกระถิ่งแล้วจะลเราไปนั่งรถหรือไปนั่งเกียร น, นั่งอะไรมันอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงหรืออจจะเป็นลหลายวันจะได้การจะเดินสตินี่เหมือนกันคือาการ้เดินจงกรมการสร้างจังหวัดนีน่ก็เหมือนกันถ้าเราขาดสติทุกอย่างเดียวไม่มีทางที่เราจะเดิน ถึงจุดหมายปลายทางไม่มีวันที่เราจะถึงได้แต่มันก็ต้องมีโอกาสหรืมีจังหวะได้เหมือนกันเท่ามันอาจจะนานจะได้ถ้าเราพะยามให้มีส ต, ติอม่มีควารู้สึกให้มีส ต, ติอยู่เสมอเสมอนี่แหละไอ้ตัวส ต, ตินี่แหละมันจะทําของมันเองมันจะเป็นของมันเองมันจะไปทําลายความคิดหรือว่าทําลายหลายๆอย่างที่มันดีอยู่ในเราอ่ะ ในหลายอย่างที่มันดีเลยเราถ้ากเราไม่มีสติแล้วทําลายไม่ได้ถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญาทาลายไม่ได้ก็ผู้ติเจ้าเหมพูดกันถ้าเนี่เป็นผู้ติเจ้าจะานโตเดรินสตินือว่าท่านสร้างสติอันนี้เราพูดกันมากันนานเมื่อไหร่สติของเรามันจะเต็มที่เมื่อไหร่สติของเรามันจะสมบูรณ มันจะทํางานไปเต็ที่หรือมันจะเป็นในสิ่งที่ไม่ควรเป็นเมื่อมันจะเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นมันจะรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้หรือมันจะประปากฏการขึ้นในตัวของมันเองถ้ามันมีสติพร้อมสมบูรณ์เต็มเต็มที่คล้ายๆกับต ะ, ะวันเหมือนกัน ถ้ามันแก่เต็มที่แล้วมันมันทําอะไรก็ได้เราไปซัดท่าเราพามาตากันไปแห้งอันนี้ก็เหมืันกันสติของเราเหมือนกันถ้าเราเอาเฉลือดให้มันเต็มที่แล้วมันมันจะไปทําลายเพราะว่าสติที่เป็นตัวกดสติที่เงียบายกะนับกดก็ได้ถ้าเราเกียร์นะในสติที่เงียบายจะนับกดก็ได้นับกดที่มันมันไปถูกเตือถูกป้ามันก็ตัดไปเลยมันทําลายไปเลย อันนี้ก็เหมือนกันสตินั่นเหมือนกันแต่สติถ้ามันแก่เต็มที่ถ้ามันสะบูรเต็มที่แล้วมันจะไปทําลายกิเลสกิเลสต่างๆที่มีอยู่ในตัวเราที่มันเกิดขึ้นไอ้ที่มันมันมีอยู่นั่นแหละแต่แท้ได้จริงในพวกนี้มันไม่ได้มีอยู่ตลอดในขณะใดที่เราเผลอขณะใดที่เราหลงขณะใดที่เราขาดสติในว่าโง่ก็ได้เราเป็นคนลืมตัวขณะนั้นมันก็เกิดขึ้น แต่แท้ที่จริงแต่จริงๆแล้วมันมันได้มีอะไรมันมันบริสุทธิ์มันอยู่โดยไม่มีอะไรที่มาทำให้ความเดือดร้อนหรือว่าความเกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเรา คนนี้ก็เป็นหน้าที่เราพวกเราที่จะกระทําการพูหรือว่าการให้ข้อคิดในเช้าวันนี้ผมเป็นผู้ที่ให้ข้อคิดที่ว่าจะมาเป็นผู้ที่ให้ข้อคิดบางอย่างการพูมันอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่ละเอียด